ภาวนาได้ทุกเวลาทุกโอกาสสําหรับผู้ที่อยู่เป็นคาราวาดถ้ามุ่งหมายที่จะปฏิบัติธรรมเอาดีกับพระพุทธเจ้าก็ยึดศีลห้าเป็นหลักในการปฏิบัติการปฏิบัติสมาธิฝึกสติหรือจะบริกรรมภาวนาพิจารณาอะไรก็ได้อารมณ์ที่เราจะเอามาพิจารณาเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติเรื่องชีวิตประจำวัน วิชาความรู้งานการที่เรารับผิดชอบจะเป็นอะไรก็ได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติพระพุทธเจ้าปฏิบัติสมาธิท่านเอาธรรมชาติของกายของจิตเป็นอารมณ์ธรรมชาติของกายคือลมหายใจเข้าลมหายใจออก ท่านกำหนดสติรู้ลมหายใจจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิถ้าช่วงใดที่จิตอยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้มันอยู่ไปถ้าช่วงใดจิตว่างพระองค์ปล่อยให้ว่างถ้าช่วงใดจิตเกิดความคิดพระองค์ก็ปล่อยให้คิดพระองค์กำหนดสติตามรู้อยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ในสามจังหวะนี้ ธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีแม้แต่ยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดเราฝึกสติกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาก็เป็นการปฏิบัติสมาธิเวลาเรานั่งเขียนหนังสือมีสติรู้อยู่ที่การเขียนเวลาพูดมีสติรู้อยู่กับการพูดเวลาคิดมีสติรู้อยู่กับการคิด เป็นการปฏิบัติกรรมฐานทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยค้องใจในอารมณ์ที่พระท่านสอนกันพุโทโธดีไหมสัมมาอรหังดีไหมยุบหนอพองหนอดีไหมอย่าไปสนใจถ้าจะถามอย่างนี้ก็ตอบว่าดีทุกอย่างความดีหรือไม่ดีอยู่ที่เราจะเอาจริงหรือไม่จริงเท่านั้นเองนี่ปัญหาอยู่ที่ตรงนี้